ในสมัยพุทธกาลมีคราวหนึ่งนะพระสงฆ์60รูปจารึกไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวแคว้นโกศลเพื่อหาที่จำพรรษาแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีเรียกว่าเศษชิ้นนี้ก็ได้นะเป็นอุบาสิกาทีา่สนใจนะเป็นผู้ใฝ่ธรรมพอทราบว่า พระสงกลุ่มนี้เนี่ยแสวงหาที่จำมันษาก็อารัธนาให้มาจำมันษาในที่ของตัวนะก็มีป่าอยู่แปลงหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสนะสมาทานศี่ห้าด้วยส่วนพระทั้งหสิรูปเนี่ยเมื่อได้ที่จำมันษาแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะแยกย้ายกันไป ปฏิบัตินะให้อยู่ห่างๆกันคนละที่คนละทางเพื่อได้บำเพ็ญเพียรนี่เองเต็มที่เฉพาะเวลาบินธบาติเท่านะั้นจึงจะมารวมกันบินธบาตเสร็จก็ฉันแยกกันถึงเวลามีปฏิโมกนะก็ค่อยมาประชุมกันนะที่วิหาร นอกนั้นก็ให้แยกย้ายกันอย่ารวมกันแม้เพียงแค่สองคนคือไม่คุกคลรียนแต่ถ้ามีเหตุใดเนี่ยนะก็ให้ตีระคังนะที่วิหารถึงตอนนั้นทุกคนก็จะมาออกจากที่พักนะซึ่งก็คงเป็นเพิงง่ายๆเล็กๆออกจาก ที่พักมาที่วิหารในกรณีที่มีคนตีะระฆังนะซึ่งแสดงว่าคงจะมีเรื่องมีเหตุเกิดขึ้นพอตกลงพรอาพร่องแบบนี้แล้วต่างคนต่างรูปก็แยกแย้ายกันไปปฏิบัตนะิอยู่ใต้โคนไม้ระหว่างนั้นเนี่ยในภาษา อุปัสิกาท่านเนี่ยชื่อมัติกะมาตาก็ให้คนรับใช้เนี่ยนำอาหารไปถวายแต่ส่วนใหญ่แล้วพระท่านก็บินธบากันเองมีเย็นวันหนึ่งเนี่ยนางมัติกะมาตาก็อยากจะถวายน้ำปันนะก็เลยเข้าไปในป่าที่ ประส ง, งคง์กำลังค้างกําลังจำบรนสา ก, กันอยู่ก็ไม่เห็นพระสังรูปเลยดูอ้างวางมากก็เลยตีละคังพอตีละครั้งเนี่ยพระก็พากันเดินมาเดินออกมาจากาที่พักคนละทิศคนละทางมาที่วิหาร นมามติกามาตานีเห็นพระเดินมาอย่างนั้นก็แปลกใจถามว่าถามพระว่าพระคุนเจ้านี่วิวาดกันเหรอเปล่าเราไม่ได้วิวาดกันเราพร้อมเพรียงกันแล้วทำไมเวลาเดินเนี่ยจึงมาจากคนละที่คนละทางนะไม่ได้เดินมาจากทิศทางเดียวกันเหมือนกับเวลาไปบินธาม พระที่เป็นตัวแถนก็เลยบอกว่าอ๋อก็ตกลงกันว่าเนี่ยเราจะแยกย้ายกันปฏิบัตนะิถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ไม่ต้องมาพบปะคุกหรือสนทนากันต่อเมื่อมีเหตุก็จึงจะเดินมาจากที่พักนางมาัจิกามาตาก็เลยเข้าใจอ๋อท่านพร้อมเพลงกันดีอยู่นแต่ว่าต้องการปรีกวิเวก แล้วก็เลยถามต่อไปว่าเนี่ยที่ปีพี่เวงเนี่ยเพื่ออะไรนะพระบอกเพื่อปฏิบัติเพื่อเจริญกรรมฐานนางก็ถามว่าทํำยังไงพระท่านก็เลยอธิบายนะวิธีที่พระท่านอธิบายแนะนําคือให้เจริญไก่ขตาสติหรือว่าพิจารณาการ32ให้เห็นว่าร่างกายนี้มันประกอบด้วยอวัยะวะน้อยใหญ่32ประการ นางปฏิกรรมฐานี่สนใจนะพอพระสอนวิธีการทำกรรมฐานนางก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านการเจริญกรรมฐานด้วยการพิจารณาอาการสายสสงเนี่ยในแง่นี้ก็คือเพื่อเห็นว่าร่างกายประกอบไปด้วยของที่ไม่งามเช่นปอดตบหัวใจน้ำเหลืองเลือดอุจจาระปัสสวะ เพื่อเห็นว่าร่างกายไม่งานจะได้ไม่เกิดความยึดติดหลงในร่างกายนี้ถ้าเกิดตัณหาก็จะไม่ตัณหาสงบนะเกิดความสงบในใจแต่ในระดับนึงเนี่ยมันก็เป็นการพิจารณาว่าร่างของเราเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งเล็กมันมันก็มาจากองค์ประกอบนะ จำนวนมากที่มารวมกันแล้วก็เรียกว่า <c oughs> ร่างกายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเอาถอนอวัยวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกก็ไม่เหลือตัวตนหรือไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าถอดเครื่องยนต์ออกก็ไม่เหลือตัวรถเลยรถเป็นรถนี่ไม่ใช่ตัวตนอย่างใดนะร่างกายคนเราก็ไม่ใช่ตัวตนนักพิจารณาเนี่ยจนกระทั่ง เห็นรมเลยนะเข้าใจพระไตรักษบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีพอบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีก็มีอำนาจหรือความสามารถทางจิตพิเศษนะเช่นสามารถทายใจหรื อ, อยังไปในใจคนได้ น, นีนก็เลยนะน้อมใจเนี่ยไปยังพระที่กำลังจำพรรษาอยู่60รูปเนี่ย ก็พราบว่าทั้งหมดเลยนะก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ท่านก็พิจารณาต่อไปว่าเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ไหมก็มีกันทุกท่านก็เลยสงสัยอะไรเป็นเหตุให้ไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นเพราะว่าสถานที่ไม่สัตย์ปัญญไหมก็พบว่าสัตปัญญดีนะดูจาก อ ย, อย่างไปในใจของพระทา่านหกสรูท่านก็รู้สึกว่าอาวานิสัพปปยะแล้วคนแวดล้อมนะ่ะเกือ้อฟูกเกื้อกูลหรือสัพยาไหมก็เกื้อกูลแล้วก็ดูไปที่อาหารอาหารสัพปปยะหรือพอไหมบอกว่าไม่พอนะี่ยไปบินธรบานเนี่ยได้มาไม่พอแต่พระท่านก็ไม่ว่าอะไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมีแต่ข้าวสุกเฉยเฉยก็ฉันข้าวสุกไป นมามติกรมตาเห็นเช่นนี้เนี่ยก็เลยสั่งให้คนรับใช้เนี่ยนำอาหารเนี่ยมาถวายเสริมจากที่บิณฑบาตนะแต่ก่อนก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ควรจะพอดีแต่ตอนนี้รู้ว่าที่รู้ว่าพระท่านนะชันอาหารไม่พอก็เลยนำมาเติมนำมาเพิ่มนะปกติในสุนนะ เดีไม่ทันออกพรรษาเลยพระทั้ง60สลูกก็บรรลุธรรมเป็นพระละหันอันที่บรรลุธรรมได้เนี่ยพอมีตัวช่วยนะคืออาหารอาหารเนี่ยสัปปัยะอันนี้ก็เป็นเกรดนะในะประวัติของพระสงฆ์ในสายพุทธกาลนะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยนอกจากอาศัยความตั้งใจที่แน่วแน่และอาศัยแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนะ สิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะก็คืออาหารอาหารต้องเกื้อกูลนะมีภาษาบาลีเราว่าอาหารสัพพ ย, นะยะนะหรือโภชนะสัพพยะนะสัพเพยะนี่ภาษาไทยเราแปลว่าสบายแต่จริงความหมา ย, ยาจริงคือเกื้อกูลเวลาพระจะไปทำบันดาลที่ไหนหรือจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณา น, นอกจากจะเป็นนอกจากที่นั้นจะเป็นที่สัพพยะ เรียว่าอาวาสัสปาะยะล้หรือบุคคลสัปปายะคือเป็นคนที่คนอยู่ร่วมกันนิสัยใจในการปฏิบัติและก็ยังต้องมีโภชนะสัปปายะด้วยหรือว่าบิดบาดได้ไม่ลําบากอันนี้ก็เป็นการชี้นะว่าเรื่องของอาหารนี่ก็มีประโยชน์หรือจําเป็นนะต่อการพัฒนาทางจิตใจเหมือนกันมีคราวนึงนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอาลวีนะจะไปแสดงธรรม ก็มีชายคนนึงเนี่ยเป็นคนเลี้ยงวัวพอทราพผู้เจ้าเนี่ยจะเสด็จมาแสดงธรรมก็ดีใจนะแต่ว่าบังเอิญเช้าวันนั้นเนี่ยที่ผู้เจ้าเสด็จมาเนี่ยที่แสดงธรรมวัวมันหนีไปต้องไปตามวัวมากว่าจะตามวัวได้นี่ก็ก็สายเลยนะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยนะก็มีก็ฉันปัตนาหารนะที่โย ม, มาถวาย โยนหวัวเสร็จเนี่ยทำาธรรมดาผู้เจ้าก็จะแสดงธรรมแต่คราวนี้ผู้เจ้าหยุดนิ่งนะไม่แสดงธรรมคนก็แปลกใจจนกระทั่งชายคนนั้นเนี่ยพอตามวัวเจอเอาวัวไปไปล่าไว้ในคอกแล้วก็จึงมาจึงมาเฝ้าพู้เจ้าพอผเจ้าเห็นเนี่ยชายคนนั้นก็ถามว่ากินข้าวหรือ ย, อยังยังไม่ได้กินข้าวก็ให้ญาติโยมเนี่ยจัดอาหารให้ โยง น, นั้นเนี่ยกินข้าวเสร็จเนี่ยผู้เจ้าจึงแสดงธรรมเพราะว่าแสดงธรรมเสร็จชายคนนั้นเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยก็มีคนสงสารธรรมุจเจ้าเนี่ยไม่แสดงธรรมทันทีที่ฉันพัตาหารทําไมรอชายคนนั้นและเมื่อรอแล้วชายคนนั้นมาถึงก็ยังไม่แสดงธรรมนันทีแต่ให้เจ้าภาพเนี่ยจัดอาหารให้ชายคนนั้นกินจนอิ่มซะก่อนอันนี้พระพรมตระหนักว่านะถ้าท้องหิวเนี่ยนะ การฟังธรรมก็คงจะไม่คงจะทำได้ไม่เต็มที่อาจจะมีทุกขเวทนาบีบขั้นทำให้ไม่สามารถจะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาธรรมแต่พอท้องอิ่มแล้วหายหิวแล้วาการพิจารณาธรรมก็เป็นไปได้นะซึ่งก็จริงด้วยนะพอพองแสดงธรรมเสงเช้าว้ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่าเนี่ยอาหารนี่มันก็ ไม่ใช่แค่บำรุงร่างกายเดียวนะมันก็มีส่วนในช่วยในการบำรุงใจด้วยแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องบริโภคหรือฉันอาหารอย่างถูกต้องนะคือถ้ากินอาหารหรือบริโภคอาหารเนี่ยหวังความเรตอร่อยกินเพื่อความเพลิดเพลินนะมันก็คงจะไม่เอื้อต่อการที่จะเข้าใจธรรมะนะกลับเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เกิดความหลงมากขึ้นแต่ถ้าฉัน หรือบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้หรือยิ่งกว น, นั้นคือว่าขณะที่ฉันหรือบริโภคนั้นเนี่ยก็ฉันยังมีสตินะไม่ปล่อยใจลอยนะรู้กายขณะที่เคี้ยวรู้ใจเมื่อเผลอคิดนึกไปเนี่ยนี่เราเป็นการกินอาหารอย่างมีสติซึ่งก็เป็นการส่งเสริมธรรมะไม่ใช่แค่บำรุงกา ย, ยาเดียวแต่บำรุงใจของเราด้วยแล้วก็อย่างที่ว่านะ สามารถจะเอื้อให้เกิดการบรรลุธรรมได้